พระธรรมเทศนาแผ่นที่60สิบลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคําน้อยจังหวัดขุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15ตุลาคม2554มีชื่อเรื่องว่าความเป็นมาผ้ากรถินปีหนึ่งในวัดแต่ละวัด ก็มีผ้ากระถินผ้าปากระถินกระถินสมัยก่อนสมัยครั้งพุทธกาลสมัยครั้งพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องผ้านะเรื่องผ้าผ้ากระถินผ้าในใหญ่ขนาดไหนผ้ากระถินคื อ, อทาเป็นผ้าสบงผ้าทาเป็นผ้านุ่งคือผ้าสบงหรือผ้าจีวรหรือสังคาติ ผืนใดผืนหนึ่งแต่สบงงนะ้าใหญ่ขนาดไหนคือว่าผืนสบงในผืนเล็กที่สุดคือผ้านุ่มเนะี่ยใช้ทุกวันนี้ก็ใช้ประมาณห้าเมตรนะแต่ห้าเมตรถ้าองค์ใหญ่ถ้าเป็นองค์ใหญ่องค์สูงนะก็รู้สึกว่าจะจมวุดวิดไปนะผาหเมตรถ้าได้หเมตรเนี่ยจะพอดี ได้หเมตรพอดีสําหรับพระพระองค์ใหญ่สําหรับพระฝรั่งหรือว่าพระองค์รุ่นใหญ่ประมาณหเมตรแต่ผ้าจีบอลผ้าจีบอลคือผ้าห่มอย่างหลวงพ่อกําลังห่มผ้าจีวออยู่นะเนี่ยอันนี้คือถ้าว่าเป็นพระธรรมดาเนี่ยก็ประมาณเกเมตรครึ่งหรือสิบเม็ดทําสิเมตรเนี่ยพอดีพดีตัด สบายบายไม่ได้คิดหนักแต่ถ้ากว่าเป็นพระใหญ่พระองค์ใหญ่ก็ประมาณ11เอเมตรถ้า11เอเมตรนี่พอดีถ้าใหญ่จริงๆก็อย่างว่านเกือบสิบสองเมตรต่อหนองค์แต่ถ้าว่าเป็นผ้าสังคติเท่นี่ผ้าสองชั้นสังคติคือผ้าผ้าสามผืนสามผืนคือสะบง กีบอสังคาติที่เป็นผ้ากระถินคือผ้าสังคาตินี่ผ้าเป็นผ้าสองชั้นเป็นผ้าห่มหนาวคือประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศไทยหน้าหนาวมันก็ต้องเป็นผ้าห่มหนาวเป็นผ้าสองชั้นตัดเป็นผ้าสังคาติผ้าสองชั้นอันนี้เหมือนกัระ้ายีวรลผ้ากีวรลแต่ทำให้เป็นสองชั้นในใช้ผ้าประมาณสักสิบเก้ายี่สิบเมตรเหมือนกัน 19เก้าหรือยี่สิบเมตรประมาณนี้พอดีสำหรับพื้นหนึ่งตัดสบายๆ ส, สำหรับถ้าผู้เล็กผู้น้อยผ้าน้อยตัวเตี้ยก็ก็ต่ำลงมาแต่ผ้าใหญ่รุ่นใหญ่ละยี่สบเมตรนี่แหละคือผ้ากระถินสมัยครั้งพุทธกาลหรือในครั้งนี้ก็เหมือนกันเป็นผ้าโดยมากจะเป็นผ้าขาว คือเป็นผ้าสีก็ได้แต่ยังไม่ได้ตัดนะแต่ยังไม่ได้ตัดเป็นไตรเพราะว่าเอาผ้ามาแล้วก็มาตัดทีหลังพอตัดแล้วมาเย็บในวันนั้นย้อมในวันนั้นแล้วก็การกระถินในวันนั้นคือให้เสร็จในวันเดียวอันนี้คือผ้ากรถินแต่ทุกวันนี้เรื่องผ้ากระถินนี่เป็นของหาได้ง่าย เพราะมีโรงงานผ้าสมัยก่อนต้องใช้พกกีกระตุกหรือว่าทำผ้าไม่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระพระสงฆ์ในครั้งนั้นแต่เรื่องสมัยมาสมัยยุคของพวกเราเนี่ยเงผ้าเนี่ยเป็นเรื่องของหาได้ง่าย เ, เต็มไปหมดก็ว่าได้เป็นเสียแตสมัยสงครามสงคราม โลกครั้งที่สองคูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่ที่ยายุคสมัยนั้นเราเห็น้าหลวงปู่ฟันก็ดีหลวงปู่อ่อนก็ดีหลวงปู่เขาก็ดีหลวงปู่ต่างๆท่านอยู่ในยุคสงครามสอง0ันสี่ร8อ8 8ปดิบเจดปดิบปดปดสิกปสิบเจ็ดปดสบปดในช่วงนั้นแปดสิบแปด 88ในสงครามจบแล้ว2485มาเริ่มสงครามโทกครั้งที่สองดูๆแล้วกูบายการรุ่นนั้นถ่ายรูปนะ <c oughs> แปลว่าใช้ผ้าสังนคาติผ้าจีวรผ้าพื้นบ้านของเราเนี่ยผ้ากีกระตุกของเราเนี่ยดููแล้วเวลาพันลูกบวัวลกผ้าใส่หูเนี่ยมันท่วหมหูพระเถเนงันเถอะ มันมันมันลูกบวบมันใหญ่มันท่วมหูเลยงานผ้ามันหนาหลวงพ่อเห็นโอ้สมัยนี้สิสมัยหาผ้าหาผ้ายากผ้าไม่บางเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันผ้าบางเวลาพาดขึ้นบ่ากันเนี่ยมันกันนิดเดียวแต่สมัยสงครามมันมันมันผ้าตลาดไม่ได้และผ้าโรงงานไม่ได้มันเป็นผ้าของไอ้กี่กระตุกชาวบ้านเขาถวาย กันก็ใช้ตามที่ชาวบ้านถวา ย, ยาจะเป็นผ้าไหมกับแบบหนาถ้าเป็นผ้าชาวบ้านก็เป็นผ้าฝ้ายกับแบบหนาเนะเวลาของเข้าไปเลยลูกบวบเลยท่วมหูเลยมันก็เห็นผ้าดเชบาละเพราะมันผ้าหนาเนะีอันนี้เป็นยุคเป็นสมัยเป็นยุคที่หาผ้ายากแต่มาถึงยุคของพวกเราในทุกวันนี้คณะสัทธาญาติโยม มก็ ร, รู้จักในการทําบุญทําทานเพราะผู้ที่เคยมาบวชบวชแล้วก็ลาสิกขาไปก็รู้จักวิธีการตัดเย็บจีวรแล้วก็เครื่องมือเครื่องไม้ก็การตัดเย็บก็เป็นเรื่องที่ง่ายไม่เหมือนตะก่อนตะก่อนผ้าจีวรแต่ละผืนเน่ยตรงลงขันกันนะตรงลงขันกันแค่ว่าองค์เนี้ยอย่างองค์ไหนในวัดของเราผ้าจีวรขาดหรือสังคติขาดเนี่ย เป็นหัวหน้าหลวงพ่อเออพระทางวัดนนวันนี้นะผ้าองค์นั้นพระผ้าองค์นั้นขาดนะเนี่ผ้าอยู่ในี่นะเอาไปตัดเย็บลงแขกกันทีพระยี่สิบสามสิบองค์มาก็ามาตัดพอตัดผ้าเสร็จแล้วก็ต่างคนก็ต่างังเย็บด้วยมือของใครของเราแล้วก็เอามาผสมกันพอผสมกันก็เย็บไล่กันออกมาอีกอจึงได้เป็นผืนไม่ใช่ของง่ายๆ ก่าจะได้ผ้าจีวรแต่และผืนบางทีมันไม่เสร็จถ้าผืนน้อยอย่างหลวงปู่ล่าท่านท่านมีอุตสาหาะิริยะท่านว่าท่านเย็บผ้าจีวรท่านเย็บผ้าจีวรของท่านสิบอวันสบเอ็ดวันเสร็จเสร็จผ้าจีวรทั้งหน้าทั้งตายเย็บแตผ้าจีวรสิบเอวันจบแต่เย็บสังขารตีนี่เจ็วันทําไมจึงเย็บสังขารตีจวันพราะ สังคาติมันเย็บมันตนเนาไปเนาไปเนาไปมันง่ายกว่าเย็บจีวรจีวรมันต้องเย็บครั้งหนึ่งแล้วตลบแล้อีกครั้งหนึ่งอีกอวิธีการเย็บนะพทธันเย็บสังคาตีนี่ง่ายกว่าเย็บจีวรแต่ถ้าว่าเทคนิคในการเย็บน่ะต่างกันอีกนะเย็บจีวรเนี่ยเทคนิคไม่มีมากเท่าไหร่แต่เย็บบๆไปเลยถ้าเย็บจักแล้วก็ยิ่งพูดไปเลย แต่ผ้าชังคาตีนี่ยโอ้ถ้าเย็บไม่ดีเนี่ยมันสี่ชั้นอะชั้นหนึ่งตึงชั้นหนึ่งหย่อนอ่ะมันไม่เข้ากันเธอเนนั้ น, นแหละปวดหัวอะไรเธอนี่ยอ่มันเหมือนกระถุงข้าวต้มอยู่ข้างใดข้างหนึ่งอะไรเธยมันมันพองเออมันไม่ตึงมันไม่เรียบกนะันี่แหละอันนี้ก็คือเทคนิคในการเย็บผ้าสมัยก่อนสมัยปัจจุบันสมัยก่อนก่อนก็ต้องลงแขกกันเป็นเรื่องใหญ่อ ย, อย่างว่าน่ะ กีวรการการกีวรนบินทบาตรไม่มดไม่พอฉันไปทางเดินทางไกลไปทางเรือฉันปรำพระฉันสองขนได้พระพุทธเจ้าให้อนุญาตให้ฉันสองขนได้คือฉันเช้าที่ฉันเที่ยงได้ฉันอาหารพอา่อพระเนยนี่แหละอันนี้ก็คือเราก็ต้องท่านก็ยืดหยุ่นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันจะจะเปี๊ยทีเดียวก็ไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าอนุญาต เดินทางไกลเหนื่อยพอเดินไปแล้วก็เดินไปตั้งแต่เช้าฉันเช้าแล้วก็เอาเดินไปยังเหนื่อยนะท่านให้ฉันถ้ามีอาหารเที่ยงเรียกว่าก่อนเที่ยงนะแต่จะไปบ่ายไม่ได้นะบ่ายไม่ได้ก่อนเที่ยงท่านให้ฉันได้เดินทางไกลไปทางเรือก็เหมือนกันอยู่มากอาหารบิณฑบาตไม่พอฉันหนึ่งกี่วรการการกี่วรคือการกี่วอนกันนี้แหละคือลงแขกกันเนี่ย ลงแขกเหนื่อยเย็บผ้าท่านก็ให้ฉันก่อนท่จอนเที่ยงได้ฉันปรำพระโภชนะได้นอันนี้ก็คือเกี่ยวกับฟินายของพระสงฆ์ถ้งพวกเราศึกษาดูแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เปี้ยทีเดียวท่านก็ยืดหยุ่นตามการการการการเวลานี่นี่แหละอันนี้คือครั้งพุทธการผ้าจีวรของท่านที่ว่ากรถินก็เหมือนกัน สรุปแล้วก็คือท่านทำไมจึงทําให้มันเสร็จในวันเดียวย้อมวันเดียวเย็บวันเดียวหลวงพ่อว่าในความคิดของหลวงพ่อนะคือพระพุทธเจ้ามีเทคนิคอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นความคิดส่วนตัวนะทําไมว่ามีเทคนิคแค่แว่าพระสงฆ์อยู่ด้วยกันมากๆทําให้เสร็จวันเดียวย้อมวันเดียวทวาการวันเดียวให้ายๆมาส่วนหนึ่งคือเมื่อให้มันพั่มเพื่อเอไม่ให้มันยืดเยื้อ ในการปฏิบัติธรรมและอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อให้พระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ด้วยกันมีความพร้อมเพียงส ม, มัคคีกันถ้าพระสงฆ์แตกกันน่ยมาลงขันกันนดูซิมันตาเคี้ยวใส่กันใช่ไหมจะเัยพาด้วยกันได้ยังไงใช่ไหมในพระพุทธเจ้าใ ห, ให้ให้มีสมานฉันให้ใหสมีสมานะฉันมาตัดเจ็บแล้วเออเอามามามาทำด้วยกันคล้ายๆว่าทีเขาทีเรารักษาอย่างนั้นน่ะ ให้ลงแขกกันทีเขาทีเราพระสงฆ์ก็จะในกลมกลืนสามัคคีกันอีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ที่เรียนรู้มาก่อนท่านก็ได้ฝึกสอนพวกน้องๆเยที่บวชเข้ามาใหม่เอตัดเย็บอย่างนี้นะตีอย่างนี้ตัดอย่างนี้นะจนนะอจะได้เรียนรู้อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าให้ทำในวันเดียวให้พระสงฆ์ไม่อยู่ไม่อยู่เด่นเด่นด้านๆถ้าว่าทําหลายวัน ทำมาสองสามองทำซะองคสี่ห้าหกองแบบไม่ได้สนใจอย่างเนี้ยถ้าว่าอยูด้วยการห้าหกองเนี่ยทำสองสามองค์มันไม่เสร็จได้ ว, วันเดียวเลยมันมีเท่าไหร่เมื่อต้องลดลงกันมาเพื่อจะให้มันิกเม็ดเป็นหรือไม่เป็นถ้าไม่เป็นก็ต้องจับต้องช่วยหมู่จะทำยังไงจึงจะให้เร็วออันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือท่านอยากจะให้พระสงฆ์เป็นออ สมานฉันท์ใครท้ า, าให้มีความพร้อมเพียงสามัคคีกันในการอยู่ด้วยกันแล้วก็เมื่อตัดเย็บผ้ากีบอเมื่อลงขันกันแล้วลว่าเย็บช่วยกันแล้วน ะ, ะข่าวนี้ก็องขององ์นึงข่าวหน้าขององ์นึ่งแล้วก็รุนพี่ดุ่นใหญ่ที่ได้เรียนรู้มาก่อนก็สอนรุ่นน้อง ให้ลุ่ น, น้องๆได้เรียนได้ศึกษาเรื่องการตัดการเย็บการย้อมทำอย่างไรสีขนาดไหนจึงจะพอเหมาะแต่ทุกวันนี้หลวงพ่อเห็นพระถามด้วยซิเลยตัดเย็บผ้ากีวรเป็นไหมต่อไปถ้าว่ามีเกิดศึกสงครามพระเหล่านี้นะพระลูกพระหลานเหล่านี้คงจะไปยกมือไหวล้านร้านผ้ากีวร น, นะ อาจารย์เอ้ยสอนผ้าสอนวิธีการเย็บผ้าจีวรให้ข้าโดยเทนะินทั้งที่ผ้าตัวเองก็เย็บไม่เป็นลวงพ่อก้จะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยพวกพระที่บวชใหม่เนะี่ยเพราะมันมีแต่ใช้ของตลาดทั้งหมดแต่ลุงพ่อเนะี่ยไม่ว่าเนยะทั้งตัดทั้งเย็บสังฆาติจีวรนะเย็บได้หมดเนี่ยตะไม้ก่อเนนะ่ะจะเป็นพระน้อยพระหนุ่มเ น, นี่เย็บจีวรให้หมู่พกเพื่อนนะ โอนั่งเป็นวันๆเป็นอาทิตย์อาทิตเนี่ยเย็บจัดนะนี่แหละอันนี้คือจีวรมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะปื้าผ้าตะริ่พื้นแต่ทะนี้ในผ้าจีวรนั้นเป็นมาอย่างไรเนี่มันก็เป็นมีตำราเหมือนกันนะเป็นครั้งพุทธกาลคือสมัยก่อนเมื่อพระทตรยเจ้าได้ตัดสรู้ใหม่พอผ้าจีวรมาก็เย็บเย็บถ้าเป็นผ้าพืา้นใหญ่มาเนี่ย เป็นหน้าเม็ดมานี่มาเย็บเยบยติดต่อกันจากนั้นก็ออกมาก็คองคองก็เป็นผ้ากีวรเลยทีนี้ต่อมาเนี่ยนยโจรขโมยโจรโจรผู้ร้ายไปเห็นผ้าพระอยู่ตามที่ท่านลงไปสงน้ำท่านก็เปื้องผ้าเสร็จแล้วก็ไปวางไว้สมัยนั้นมันหาผ้ายากแกว่านะขโมยก็เลยไปขโมยผ้าพระบัิ ขึ้นมาหาผ้าก็ไม่ได้เลยแต่เนี้ก็พระสงฆ์ก็เลยโอ้ผ้าเพราะผ้ามันมีราคาเพราะมันเป็นผ้าผืนใหญ่มันเป็นผ้าสินใหญ่เขาไปตัดทเขาไปตัดทําเป็นเสื้อผ้าได้อเขาก็เลยไปกาบทูลพระพุทธเจ้าโอ้โจนซุกซุมเหลือเกินขโมยผ้พ า, พาพระผ้าพระพระองค์เขาขเขาขโมยกิจเจตนาเขาอะไรบอกว่าพระ พ, าพา่อผ้ามันเป็นผ้าผืนใหญ่ เขาเลาะตะเข็บหน่อยเดียวแล้วก็อมเป็นทําเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรของเขาได้พุทธองค์บเออเอาทํามันเป็นลักษณะนั้นไปอานอนให้ตัดเป็นให้ตัดกีวอนให้ตัดให้ทำให้ผ้ากีวอนตัดเป็นชิ้นๆให้ตัดเป็นจีนจีนมาเย็บปฏิปต่อกันทั้งที่ผ้าปืนผ้าปืนใหญ่นะผ้าปืนใหญ่มาให้ตัดคือให้ตัดให้มันใ ห, ให้ให้มันมีคุณค่า คือให้ลดคุณค่าของผ้าลงถ้าว่าเป็นผ้าชิ้นใหญ่พื้นใหญ่เลยขโมยโจรมันมั น, มนขโมย โ, ยโจรน่มันตัดไปแต่ถ้าว่าไปตัดเป็นชิ้นไปแล้วเนี่ยถึงจะมันไปตัดปะติดประตอกันเขาก็จะว่าเออไอ้นี่มันขโมยผ้าพระมาวะดูซิมันเป็นตะเข็บมันเป็นขันอยู่เนี่ยเขาก็จะได้เห็นอีกเนียพระพุทธเจ้านี่ฉลาดได้ดูดูเลย ถ้าท่านไม่ฉลาดท่านก็คงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างว่านะเอแต่นี้ท่านก็ให้พระอา น, นุ์วางแผนใครครับทีอสถาปนิกเป็นไงต่าวางแผนตัดผ้าจีวรจะตัดยังไงแต่นี้พระอา น, นุก์ก็นั่งคิดนอนคิดพอในสุดขึ้นไปอยู่บนยอดเขายอยู่เขาคิดจะกูดเปนะ็นไงไอไอ้ไอเขาไอแถวเมืองเมืองกรุงราชคีหนะ์น่ะเมกรุงราชคีห์มันเป็นภูเขาล้อมรอ บ, อบเป็นบางบางลูกเลยพระอ น, นุนก็ขึ้นไป ขึ้นไปบวงยอดเขากันลงเดี๋ยวลงไปท้องนาเถอะเลี้ยวไปท้องนามันเป็นมันเป็นมันเป็นพื้นนาใช่เพราะพื้นพื้นนาแล้วก็เป็นเป็นตะเข็บเป็นตะเข็บคือคลองส่งน้ํำคลองส่งน้ําำน้ํามันมามันส่งไปทนั้นะส่งไปมันเป็นตะเข็บมันเป็นพระนรุนก็ขึ้นไปดูเอออเราควรจะตัดผ้าจีวรลักษณะอย่างนี้ท่านออกแบบเลยท่เลยเพราะออกแบบมาท่านก็ทําเป็น ผ้าจีวร อ, ออกมาถ้าก็มาตัดเป็นผ้าจีวรมานก็มาเย็บนี่แหละแตั้ังขอบมันก็คือเป็นขอบอขอบผ้าจีวรและกระดูกของมันทั้งสองข้างก็เป็นคลองส่งน้ำและก็เป็นพืนนานี่แหละผ้าจีวรในความเป็นมาคือพระอานนท์เป็นผู้เขียนแบบเป็นสัพท์ปนิกในการออกแบบผ้าจีวรพระ สมัยก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ใหม่คือผ้าผืนใหญ่ขนาดไห้นก็เยบ็บเย็บติดกันและก็คลองโจรผู้ร้ายมันขโมยก็เลยวางผ้าอ น, นุลก็เลยวางแผนตัดให้มันให้มันคุณค่ามันด้อยลงเพราะตัดเป็นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่แหละอันนี้ก็คือผ้าจีวอนของพระสงฆ์นี่แหละความเป็นมาของพระพุทธศาสนาพวกเราได้ ศึกษาดูแล้วในพระไตรปิฎกไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะพวกฟังฟังดูแล้วก่อนที่จะมาถึงพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นมาถึงยุคนี้สมัยนี้พวกเรามีปัญหาพระอย่างนั้นพระอย่างนี้พระเป็นอย่างงู้นคนเป็นอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลเป็นมาก่อนก่อนพวกเราแล้วอย่างพระอวดดีก็เหมือนกันนะ พระอวดดีก็มีเหมือนกันนะพระขี้คุยสมัยก่อนพระโหรุทายีเป็นพระโหรุทายีเป็นพระขี้คุยขี้อวดนะแต่ตัวเองไม่มีความรู้แต่ขี้อวดต่นนี้ศรัทธาญาติโยมเขาก็ได้ฟังธรรมเทศนาของพระภาษารีบุตรพอซาริเขาก็ ยกจองโอ้โหพระธรรมเสนาบดีสาษารบุตรนี่แสดงธรรมไพเราะเหลือเกินมีอัฐมีธรรมน่าศึกษาที่ท่านพูดออกไปล้วนแล้วจะเป็นอัฐเป็นธรรมเป็นแนวความคิดที่ดีโอโ้พวกเราได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระธรรมเสนาบดีรู้สึกว่าปลื้มปีติในการได้ยินได้ฟังแต่นี้พระโลหุทายีได้ยินเขาพูดเอ้ยภาษาเรบุตเทศน่นนะ เพียงแค่นั้นละ่ะถ้าได้ยินอาตมาพูดอะยิ่งกว่านั้นพนวะเฮ้ยคุยทับเขาเอนกันเถอะถ้าได้ยินอาตมาพูดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพูดเรื่องท่านสารีบุตรเลยชิดซ้า ย, ล, า ย, ายงงาลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเถอะแต่ที้ญาติโจมของโอ้แสดงว่าท่านนี่เป็นธรรมะกระถืเอเลิศวะเอาขอในมนท่าอย่างนั้นเอาเอ า, เอาให้นิมนต์องค์งนี้แหละอองค์ที่ท่านพูดนี่น่ะเราอยากจะฟังว่า ท่านจะเทศดีขนาดไหนเทีนี้ก็พอตกตอนเย็นมาก็กเอา้านิมนต์ท่านโลลุทายีขึ้นแสดงธรรมเลยซิท่านก็ปูปับขึ้นไปพราะคนไม่เคยขี้อวดเฉยใช่ไหมล่ะพูดไม่เป็นใช่ไหมเอ่พระขีอวดเนะีขึ้นไปก็ขึ้นทำมาศพอขึ้นทำมาศก็ตัวสั่นเลยใชเไหมพได้จับตรปัดมาขึ้นมาขึ้นมาไม่รู้จะพูดอะไร เพราพูดได้เออศรัทธาญาติโยมไหมยังไม่พร้อมที่จะอยังไม่พร้อมที่จะเทศข่าวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมาจะสวดสรพันยะสวดสารพันยะทํานองให้ฟังเอาอาม่อนพวกคุณท่านสวดได้นถ้านนี้ก็คิดหาสรพันยะบทไหนก็คิดไม่ได้อีกสรพันยะพวกเราก็กงได้ยินมาเออเออเออเออพระที่สวดนะะเออนี่ะ สารพัญญะเนี่ยพระโลรุทธรีก็สวดไม่ได้อีกเลยเออศรัทธาญาติโยมโอ้วันนี้รู้สึกว่าคิดอะไรยังไม่ออกเดี๋ยววันต่อไปนะญาติโยมนะผมว่าเออเข้ามขี้อวดต่อไปอีกมาเงินเถอะศรัทธาญาติโยมเออเมื่อท่านคิดไม่ออกเอาเอข้าวหน้าก็ข้าวหน้าเอาพอข้าวหน้าขึ้นมาอีกก็ยังไม่ได้อีกอย่างเก่าเขาก็ลุ่มไล่อะไรแต่นี่ทำไมท่านมาหาขี้อวดเออ ว่าตัวเองเก่งของภาษาลิบุตรอพระอัครสาวกตัวเองพูดไม่ได้ทําไม่เลยพอไปวิ่งไปไ ป, ไปตกไปตกหลุมส้วมด้วยงั้นไปตกหลุมฐานสมัยนั้นฐานปล่อยเลยแี่นะจะว่าเป็นเรื่องราวมากระทั่งทุกวันนี้อันนี้พูดในพระไตรปิฎกนะไม่ใช่หลวงพ่อหาเรื่องพูดนะพูดในพระไตรปิฎกแล้วทีนี้มาพูดถึงพระโรรุทายีเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระเทวทัตนะ เป็นมือขวาของพระเทวทัตแต่หลวงพ่อกขเป็นได้ยินจากหลวงปูขงป่ขาวท่านหลวงปู่ขาวท่านบอกว่ากปูก่ขาวทั้งรงเพลนเราเนี่นะท่านบอกว่าสมัยครั้งพุทธกาลเราก็เคยเกิดเกิดในครั้งพุทธกาลเกิดในครั้งพระพุทธเจ้าแต่เราเป็นลูกศิษย์ของพาโลลุทายีเท่านะเน้เป็นลูกเป็นลูกศิษย์ของพาโลลุทายีองค์เนี้ยองค์ที่ตกตกส่วม เ, เพราะฉะนั้นเราก็เลย ไปไปเนี่ยพอเราครบกับพระที่พระที่เป็นพาลชนพระที่เป็นพานเนี่ยไปหลงไปผิดไปด้วยก็ทําให้เราตกนรกเหมือนกันเนี่ยเราให้ตกนรกเหมือนกันพอมาต่อมาเราก็ได้เนีมาเกิดเนี่ยมาบําเพ็ญในชาตินี้เราเลยเอาจริงเอาจังะเนี่ยนะหลวงปู่ขาวทั้งก็เป็นพระ อรหันนะกระดูของท่านเป็นพระาธาตุหลวงปู่ที่น่ากรบนับถืออย่างมากๆหลวงปู่ขาวของพวกเราเนะ่ท่านระลึกชาติรนหลังได้ท่านบอกว่าสมัยก่อนท่านเคยเป็นลูกศิษย์พระโลลุทายีเหมือนกันท่านว่านะ <c oughs> นี่แหละสรุปแล้วก็คือไม่ว่าพระครั้งนูน้นพระสมัยนี้เราต้องดูด้วยด้วยตาฟังด้วยหูแล้วก็ เอามาเปรียบเทียบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบกับพระธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาเปรียบเทียบกับธรรมเทศนาของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ชาหลวงปู่ล่าท่านทำอย่างไงหลวงปู่จวนหลวงปู่วันหลวงปู่สิงทองที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรเมื่อท่านปฏิบัติมาแล้ว ท่านพาบำเพ็ญมาแล้วท่านเขียนใส่ตำรับตาราแล้วกระดูกของท่านไ ด, ด้กลายเป็นพระอรหันต์กระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุก็ว่ากระดูกกลายเป็นพระธาตุคือกระดูกเป็นเม็ดเป็นแก้วเป็นเม็ดขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือในหลักทำคําสอนของพระพุทธศาสนาแล้วทั้งก็บอกพระเหล่านี้คือพระอรหันต์กระดูกของพระอรหันต์ที่เป็นอย่างนี้ เพราะนั้นสักขีพยานทางด้านจิตใจเราก็ไม่รู้ว่าท่านได้สาเร็จหรือไม่สาเร็จแต่ว่าพยานคืออธิธาตุของท่านได้กลายเป็นพระธาตุเป็นสขีพยานในรูปประธรรมให้เป็นเป็ น, ปนสขีพยานให้เราได้เห็นอันนี้เราก็น่าจะตายใจได้ว่านี่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยที่เรารักเคารพนับถือเนี่ยเมื่อท่านปฏิบัติีปฏิบัติชอบท่าน ปฏิบัตอย่างไรท่านจึงได้กระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่แหละเราก็อ่านสืบดูประวัติตํำรับตาราของท่านท่านเขียนไว้อย่างไงท่านปฏิบัติอย่างไงท่านภาวนาอย่างไรท่านเดินมักอย่างไรสมาธิของท่านทําอย่างไรเดินวิปัสสนาอย่างไรพวกเราคนน่าจะศึกษาตามนี้เราจะไปนับถือกะวลเลกะะลัลวราชที่ไหนพูดว่าองค์นั้นมีศักต มีสักดาห์หนุภาพองนั้นมีฤทธิ์องนั้นมีเดชองนั้น เ, เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราต้องนำคำพูดหรือว่าแนวปฏิปทาที่เราได้ยิดมานะี่มาเปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเปรียบเทียบกับหลักพระธรรมวินยัยมันเข้ากันได้ไหมมันตรงไหมเพราะนั้นเราจะไปเชื่อหน้าเดียวทุกวันนี้มันมีมหลายอย่างนะถ้าเราเชื่อแบบกะวะเลกะวะลาาชอย่างที่หลวงปู่ขาวพูด ท่านไปพบกับพระโรดุทายีอาพ อ, ต, อตายจากชาตินั้นก็ตกนรกอล้วจากนั้นขึ้นมาท่านที่ได้มาบาเพ็ญใหม่จนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลในชาตินี้อันนี้หลวงปู่ขาวที่ท่านพูดตัวท่านระลึกชาติผลหลังได้เพราะนั้นไม่ใช่ว่านรกเป็นพระและ้วไปตกนรกไม่ใช่นะ ตกนรกง่ายที่สุดคือคือเป็นพระเนี่ยถ้าทำไม่ดีก็ตกนรกได้ถ้าทำดีก็ไปสวรรค์ได้คนทางเชียงใหม่เขาบอกว่าเป็นพระเนี่ยนะตีนข้างหนึ่งเหยียบปากนรกแต่มือมือข้างหนึ่งทวงประตูสวรรค์แต่ถ้าหากว่าเราทำดีมีศีลธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเราก็อประตูสวรรค์ล้วนี่ เยียบปากนรกยันปากนรกเกาะประตูสวรรค์เข้าไปเลยเได้ขึ้นสู่สวรรค์เลยแต่ถ้าว่าเราทำไม่ดีไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวนัยเป็นผู้ไม่มีศีลหลุดมือหลุดจากประตูสวรรค์ตกหงายหลังตกนรกพั้นเลยว่างั้นเถอะเนี่ยมันลงง่ายถึงขนาดนั้นแ เ, เออพระทำดีพระทำไม่ดีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องคิดนะ พระก็ลงนรนกได้เหมือนกันไม่ว่าจะญาติโมยมญาติโยมก็เหมือนกันตกนรนกได้ถ้าทําความชั่วถ้าทำไม่ดีนลยกักตังบุกตังเสื่อโยแต่ความชั่วจะทำเสียเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําแล้วจะเดือดร้อนจะทําให้ตนเป็นทุกข์เมื่อภายหลังวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาก็เป็นแนวหนึ่งของมาในพระไตรปิฎกนะ อันนี้เรื่องผ้ากฐินเรื่องผ้าของพระเรื่องกับเรื่องการครบค้าสมาคมพระโยมมันอยู่ด้วยกันทั้งพระทั้งโยมต้องแยกต้องแยกแยะด้วยสติด้วยปัญญาของเราอันไหนควรไม่ควรอย่างไรถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรเราต้องใช้ปัญญาเหมือนกันนะรับผร อ, อนุโมทนาให้พร